ซีดีรวมธรรมปัญญายปีพุทธศักราช2553ชุดนึกอะไรก็ได้ทำทุกทีโดยพระพรมพุนาพรปออประยุตโตวัดยาณเวศ ก, กวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่สิบสามรู้จักชาวพุทธเพื่อนบ้านพูดคุยกับพระนวิกะม่วนที่16มีนาคมพุทธศักราช2553 นิกายทางด้านเทราวาเนี่ยที่มีอยูอ่ห้าประเทศหลักเนี่ยนะครับไทยพมา่าลาวเขมรแล้วก็ศรีลังกาเนี่ย ใ, ในแง่ของพระไตรปิฎกก็คงจะคล้ายกันหรือว่าเหมือนกันตามทเหมือนกันเลยฮะเือ น, นเนเแต่เล็กๆในน้อยที่ฟุตโนดแต่ว่าในตอนที่มาสอนค า, าราวาสหรือสอนพระในแต่ละประเทศเนี่ย mm hmm. อาจจะมี ที่ใช้เนี่ยต่างกันยกตัวอย่างอย่า ง, อางของไทยอาจจะอเอาเอาเรื่องสมมุติเรื่องจะไปนิพพานก็จะเอาเรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นหลักแต่ว่าพม่ า, มาอาจจะเอาเรื่องพุดชมเจตอะไรทํานองนี้นะครับผมผมก็ไม่ทราบว่ามันมีความแตกต่างไหมนั่นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความเป็นอยู่ของพระในแต่ละประเทศเนี่ยก็เท่าที่เคยไปก็มีความแตกต่างกันเช่น ที่พม่าเนี่ยก็สามารถบินตาบาดได้จนกระทั่งถึงเพลงคิ้วก็ไม่ต้องโกนยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ทราบว่ามีข้อแตกต่างกันในหประเทศนี้มากไหมครับก็นี่แหละครับถึงต้องมีพะัะไัยปิดกที่เป็นอย่างเดียวกันเป็นหลักไว้เมื่อไแล่ะแค่ 3- าห้าประเทศนี่ก็จัดกระจายกันยังขนาดมีพระไตรปิโดกอย่างเดียวกันนะยังมีแปลกกันอย่า ง, างนี้ ในเมืองไทยเราเองเราก็มีคล้ายๆประเพณีพูดกันมาแต่โบราณแล้วว่าไทยวินยมมัยพม่าแอลังการพระ ส, สูตรพ ม, ม่าอภิธรรมหมายความว่าถือว่าสาประเทศเนี่ยมีความชํานาญพิเศษไม่เหมือนกันแต่โบราณเนี่ยจะถือว่าไทยเนี่เคร่งวินัยมากนะมันก็เลยมีไอ้เข้ามาถึงปัจจุบันว่าไทยเนี่ยเคร่งครดวินยัยส่วนลังกานั่นท่านเน้นพระ ส, สูตร จะเก่งในเรื่องของพระสูตรแม้แต่เดียวนี้เขาก็ยังเก่งนะะเด็กขนาดหกเจ็ดขวบนี่ท่องธรรมจักได้เลยเนะธรรมจักกระโปงวนสูตรโอ้เขายังเก่งมากคาสอนเนะี่ยรู้รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรเด็กไทยไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอเด็กมาอยู่คงนี่เดี๋ยวจะว่าว่าเด็กด้วยาหนูไม่ต้องเดือดร้อน <c oughs> เออทีนี้ เออ้หนูจะได้ช่วยกันทั่วไม่เมืองไทยเก่งทุกอย่างนี่ก็พม่านะเก่งอภิธรรมนะก็ถือกันมาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นอย่างงั้นใช่ไหมเวลาเราจะจัดการสอนอภิธรรมยังไปเอาอาจารย์พม่ามาเนี่ยสานักอภิธรรมปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยเป็นสำนักที่สืบสายพ ม, ามา่าแทบถึงนั้นใช่ไหมเนี่ยอภิธรรมมโชติกะอะไรร่างต่างเนี่ย นี่มันเป็นมาแต่นานแล้วอันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือจุดเน้นมันก็เป็นไปเองครับคือหมายความว่าคำสอนพระพุทธเจ้ามีมากไม่เฉพาะแต่ละประเทศหรอกแค่ประเทศเดียวกันเนี่ยเมืองไทยเราก็ยังต่างกันเยอะสำนักอาจารย์โน้นอาจารย์นี้นะนี้อย่างที่ว่าในการปฏิบัติบาเพ็ญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาที่ว่าไทยเน้นสติปัฏฐานก็เพิ่งมาเน้นตอนนี้แหละ สมัยก่อนเขไม่ได้เน้นเพราะนั้นเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้างใหม่ในซ้ำที่ว่าไทยมนันเนสติปัฏฐาน <c oughs> เป็นเรื่องที่ว่าบางอย่างก็เป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะใกล้ๆนี้เองอย่างที่คนไทยหันไปสนใจศึกษาวิธรรมบังมาสนใจศึกษาวิปัสนาเจริญวิปัสสากันเนี่ยแม้แต่เรื่องสติปัฏฐานเนี่ย ก็มีอิทธิพลของต่างประเทศในเพื่อนบ้านนีนะไม่น้อยเพราะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยนะแต่วัดที่ว่ากันมาแต่โบราณก็ที่ว่าบอกว่าไทยวินัยพมะมไอ้ลังกาประสูตพม่าพิรามอันนี้อย่างเรื่องของคัมภี์อะไรต่างๆมันมีไอเรื่องของภูมิหลังมานาน อย่างพมา่าเอา้พาพม่าไว้คิว้วลังการก็ไวใช่ไหมฮะไวป้ปะเ อ, อ้พระลังกาท่านไว้คิ้วไห ม, ไมเออชักลืมแล้วเนี่ยขนาดพบกับพระลังกามาเยอะแยะไนอ๋อใช่ใชคือที่ ท, ที่ที่โกนคิว้วก็ไปจากพระไทยนี่แหละสยามวงศ์สมัยพระเจ้า บ, บรมโกศปลายยุทธยาไว้ตามพระไทยไ ทีนี้พระไทยเลยว่โกนคิ้วเพราะอะไรนก็มีเล่ากันมาแต่ว่าอาจจะเชื่อถือไม่ได้คือเราก็เดากันนั่นแหละเนี่ยบอกว่าตอนที่พมา่ามารุกเมืองไทยเนี่ยรบกันนานนะพะมา่าก็มาปลอมตัวเป็นพระไทยบางอะไรแต่เลสืบข่าวเป็นอะไรแต่เป็นเขาเรียกไซสึกใช่ไหมแล้วจารชลเป็นจาชน ก็มาบวชแต่งตัวเป็นพระปลอมตัวเป็นพระแล้วก็มาสืบข่าวนี้เพื่อจะให้แยกได้จับพระพระมา่าได้จับคนพมา่าที่ปลอมตัวเป็นพระได้พระไทยก็นัดกันว่าโกนคิวนีพวกพม่าม า, มาไม่ทันรู้ใช่ไหมมโหมผ้าก็เอาคิ้วอยู่นี่จับได้แล้วก็เลยเป็นที่ว่าเนี่ย พระไทยนัดหมายกันนี่นี่ตำนานหนึ่งว่าอย่างนั้นตำนานพระไทยโกนคิ้วและตลอดจนห่มหนีบด้วยนะก็เพื่อจะห่มให้ต่างจากพระพระมา่าพม่าก็ไม่ทั น, นจะได้ปลอมตัวไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าพระลังกาเนี่ยก็ไม่โกนคิ้วต่อจากสยามบวงตอนนั้นกรุงก็ยังไม่แตกเนี่ยใช่ไหมอา้าวมันก็ไม่ใช่สิไม่ใช่เป็นเพราะไทยรบพรมา่าใช่ไหม พระเจ้าบรมโกก็อยู่ปลายยุทธยาตอนนั้นไทยก็ยังดีอยู่อยอายุทยาก็ยังรุ่งเรืองอยู่ก็ไม่ได้ไมมีเหตุาการณ์รกกกระพม ก, นะก็ไม่รู้ชัด <c oughs> อันนี้ก็เป็นอันวเป็นเรื่องของหนึ่งยุคสมัยด้วยสองก็คือการเน้นของแต่ละทินฐาน แล้วก็การที่ไทยเคร่งพระวินัยได้มากเนี่ยเพราะว่าของไทยเนี่ยมีระบบการปกครองคณะสงฆ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการปกครองไปอันเดียวกันมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีมหาเทรสมาคมแล้วก็มีอะไรมีสังฆราชมีสมเด็จพระสังฆราชองค์เดียวกันอะไรอย่างนี้ แต่ว่าประเทศข้างเคียงพม่าลังกาเนี่ยท่านไม่มีระบบการปกครองไปอันเดียวกันอย่างนี้ก็แยกกันเป็นนิกายนิกายแต่ละนิกายก็มีหัวนหน้าอย่างในลังกาก็แต่ละนิกายก็มีมหานายกะเรียกว่ามหานายกะนะเป็นผู้นําไม่เลือกสังคายกเรียกว่ามหานายกะก็คือคือมหานายก ก็มีนิกายใหญ่ที่สุดเป็นทางการก็สยามนิกายสยามวงหรืออุบาลีวงที่ไปจากอายุธยาที่ท่านหมดพระแล้วก็พระเจ้าเป็นดินที่นั่นก็ส่งทูตมาขอพระไทยไปบวชแต่นี้ก็มีสายของพม่าไปมีอมาราปุระนิกายแล้วก็มีรามัญญนิกายอีกเป็นนิกายเล็กนิกายนั้นก็เป็นแบบของพม่า ก, ก็ไม่โกรธคิ้วนะ นี้แต่ละนิกาย ก, ก็มีผู้นำก็เป็นมหาไายกะไม่มีการปกครองอันเดียวกันนี้พระม่า ก, ก็เช่นเดียวกันก็มีผู้นำผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือในแต่ละสายดะงนั้นความประพฤติก็ไม่สม่ำเสมออย่างพระพระม่าเนี่ยผมได้ยินมา น, นานแล้วท่านหนึ่ง เข้าโรงหนังดูหนังสบา ย, ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมันนานนี้แล้วตั้งแต่ผมยังเป็นเนรเลยก็ได้ยินพระพระม่าเนี่ยเข้าโรงหนังดูอะไรแต่ไรเหมือนกับชาวบ้านเอาแล้วนั่งรถสามล้ออะไรก็นั่งกับผู้หญิงก็นั่งด้วยกันไปด้วยกันได้และอย่างพระผู้ใหญ่ของไทยเราเนี่ยไปพม่าตอนที่มีเหตุการณ์ใหญ่ ทัศสังคีติสังขยาครั้งใหญ่นิมนต์พระสงฆ์จะทั่วโลกทุกประเทศไปร่วมคนพม่านี่ก็มีศรัทธามากนะผู้ผู้หญิงก็จะมานั่งข้างถนนแล้วเขาก็จะสยายผมคนพม่าเขามุ่นมวยผมใช่ไหมแล้วเวลาสยายมันนี่มันจะยาวมากนอะแล้วเขาก็พาดสยายผมเนี่ยข้ามทางนี้ไปเลยให้พระเดินเหยียบให้พระเนี่ยเขาก็ ก้มตัวลงเอาหน้าผากแนบกับถนนแล้วก็ปล่อยผมเนี่ยยาวข้ามถนนไปพาดไปในถนนแล้วก็ให้พระเดินเหยียบพระไทยไปก็ไม่กล้าเหยียบเอออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของความเป็นมาในสังคมนั้นนั้นพอจะตอบได้ไหมฮะได้นะฮะ ของไทยเราและอีกอย่างหนึ่งก็คืออิทธิพลของเรื่องอนณานิคมอันนี้ก็ซับซ้อนอยู่ทางการเมืองก็มีผลต่อเรื่องของความรู้เข้าใจภาษศาสนาเรื่องของศรัทธาเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองด้วยอิทธิพลจากอาณานิคมก็คือไทยเราเนี่ยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก การไม่ตกเว็นนายกคมนี้ก็มีข้อดีก็คือเราก็เป็นเอกราชตลอดมาแล้วเราก็ไม่ถูกบีบบังคับในแง่หนึ่งก็ดีแต่ในอีกแง่หนึ่งก็ไม่มีเครื่องบีบคัน้นนะคนมนุษย์บุตุชนเนี่ยบางทีก็เอาดีได้ในการถูกบีบคัน้นต้องมีทุกข์ถูกบีบคั้นแล้วจึงดิ้นรนขนขวายถ้าหากว่าเพลินสบายก็ประมาท คนไทยนี่ก็เข้าคตินี้อยู่ไม่น้อยที่ประมาทกันเยอะเนี่ยนะเมื่อไม่ตกเป็นอาณานิคมก็สบายทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็นอกจากสบายเพลินประมาทแล้วสเสวยความสุขก็คือเกิดความเหือฝรัง่งนะฮะเห็นฝรั่งแล้อูนี่ผู้เจริญเป็นชาวอารยะประเทศเนีเราจะมีสมดุลแต่สมัยเก่าเลยบอกว่าไทยเราจะต้องพัฒนาให้เจริญอย่างอารยะประเทศ อารยาประเทศก็คือฝรั่งนะสมัยนั้นเรียกอย่างนี้นะครับเรื่องอาริยประเทศนี้เราก็มองไปที่อาริยประเทศเขาเจริญ ย, ย่างไงตอนนั้นก็โอเข้ายุคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมจเจริญมีกล้องถ่ายรูปมาเริ่มมีรถยนต์มามีอะไรอะไรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาคนไทยก็ตื่นตาตื่นใจคอยมองว่า ฝรั่งมีสินค้าอะไรมาใหม่ๆเราจะได้ชื่นชมใช้บ้างบริโภคบ้างตามซื้อตามหาแล้วก็ตื่นเอาหามาแข่งกันเอคนไหนมีก่อนคนไหนมีก็แหมแน่เลยโก้ก็อีกคนหนึ่งใช่ไหมเราก็แข่งกันในการที่จะตามฝรั่งโก้อย่างฝรั่งเนี่ยจงกระทั่งว่าดูถูกสมบัติของประเทศนั้นตัวเองเราก็ได้ดูถูก มีความโน้มเองที่จะดูถูกวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองแล้วก็โยงมหาพุทธศาสนาดูถูกอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะสมัยผมเมื่อสักห้าหกสิบปีก่อนนะผมยังเด็กเยือเป็นเนรอยูน่นสมัยนั้นยังไปพูดนะสมาธิเนี่ยคนดูถูกคนไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยไม่เอาหรอกครับคำ ว, ว่าสมาธิเนี่ยเป็นคำที่เขาดูถูกยัไปพูด ใครไปพูดก็เป็นคน ค, คล่ําครือไม่ได้เรื่องวิปัสสนาไม่ได้เรื่องจะไปพูดนะวิปัสสนาก็ผกนั่งเทียนเห่างนันใครๆนั่งทางในเห็นโน่เห็นนี่แล้วคนไทยที่ติดมาจากพุทธศาสนานั่งกรรมฐ า, านก็กลายเป็นนั่งกสิณจะได้ฤทธิ์ได้รสอย่างนั้นอย่างนี้มันความหมายมันก็เพี้ยนด้วยแล้วทัศนคติของคนสมัยใหม่ก็ไม่ดีมองก็ดูถูกเหยียดหยาม เนี่ยสภาพคนไทยตอนนั้นก็คือมองไปต่างประเทศมองไปที่ฝรั่งฝรั่งมีอะไรก็ชื่นชมตื่นตามกันอย่างเงี้ยอันนั้นไทยเราก็เลยกลายเป็นผู้ตามแล้วก็มีความโน้มเอียงที่จะเป็นบริโภคนิยมอย่างยิ่งแล้วก็ดูถูกสมบัติวัฒนธรรมของตนเองนี่เป็นข้อดีหรือข้อเสีย ดีเสียเสียจากข้อดีที่ว่าเป็นเอกราชก็ตามมาด้ข้อเสียคืออันนี้ทีนี้ฝ่ายประเทศลังกาพม่าเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นอานานิคมฝรั่งเขาบีบคั้นหู uh, ทุกยากลาบากจะเข้ารับราชการแกไม่เป็นคลิสอย่างลังกาเนี่ยนะไม่ต้องเขาอยากจะเข้ารับราชการเปลี่ยนสิหรือบางแห่งยอมให้เป็นได้ขั้นต้นถ้าจะเลื่อนขึ้นไป ถ้าเธอไม่เปลี่ยนศาสนาไม่มีทางเอออยากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นข้าราชการตำแหน่งสูงก็ต้องเปลี่ยนศาสนาสารพัดบีบคัน้นพม่าลังกานีดโดนหนักมากเนะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่จะหันมารักพิทักษ์ปกป้องสมบัติของตัวเองนะนีน่ี่มันเป็นแรง อ, อะไรนะเป็นแรงสะท้อนตรงข้ามใช่ไหม อันนั้นคนพม่าลังกาเนี่ยจะรักขวงแหนวัฒนธรรมประเพณีแล้วพุทธศาสนาอย่างยิ่งและอย่างลังกาเนี่ยก็ได้พันเอกออนคอตนะพันเอกออนคอตเป็นชาวอเมริกันอยู่อเมริกานั่นตอนนั้นก็มีว่าทางคริสเนี่ยก็เผยแผ่อย่างมากวีบวัตหลวงใหญ่ๆแต่แล้วเขาทอบทำพระโดยตรงนี่ไม่ได้ อังกฤษก็กลัวเหมือนกันก็ได้แต่ว่าทํากับพวกชาวบ้านทีนี้ก็ครั้งหนึ่งนั้นมีการโต้วาทีครั้งใหญ่ระหว่างพระในพุทธศาสนาพระมหาเทระท่านหนึ่งกับบาทหลวงใหญ่ท่านหนึ่งปรากฏว่าพระมหาเทระนิชนะนการโต้วาทีครั้งนี้เขาก็บันทึกไว้แล้วมีการเผยแพร่ไปถึงอเมริกาพันเอกออนคอตนี่อ่าน คำโต ว, วาทีนี้เรื่อมสายพุทธศาสนามากโอ้นี่พุทธศาสนานี้ดีประเสริฐเหลือเกินแล้วก็เลยพลอยรู้ว่าในลังกานี่ชาวพุทธถูกบีบคั้นมากเหลือเกินไม่ได้ฉันจะต้องไปช่วยงั้นเนอเนี่ยเป็นเหตุให้พันเอกออนคอตเนี่ยเดินทางมาลังกาแล้วมาช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาแกเป็นกายเป็นผู้สอนพุทธศาสนาพันเอกออนคอตเนี่ย นุกรมน่ะมีอยู่หน่อยหนึ่งนั่นแหละท่านผู้นี้ก็มาเผยแผ่พุทธศาสนากลายเป็นชาวพุทธลังกากลับมารู้พุทธศาสนาชาพันเอก อ, อนคอตนดิ <c oughs> เช่นอนาคาริกธรรมปาละเป็นตน้นอนาคาริกธรรมปาละนี่คือลูกศิษย์ของท่านพันเอก อ, อนคอตเนี่ย <c oughs> ก็ได้รู้จักพุทธศาสนาจากพันเอก อ, อนคอตก็เลยปฏิญาณตนว่า โอ้พุทธศาสนานี่ถูกบีบคั้นมากทั้งในลังกาแล้วยังในอินเดียก็แย่ฉันจะต้องอุทิศชีวิตนี้ให้แก่การฟื้นฟูพุทธศาสนานี่เป็นปฏิญาณของอนาคาริกธรรมบาลละแล้วก็อุทิศชีวิตให้ทั้งหมดจริงๆจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปเลยนะีอันนี้เขาก็เลยนับถือท่านอ่อนคอตเนี่ยมากลังกาเนี่นับถือมาเป็นบุคคลสําคัญของพุทธศาสนานนะ อันนี้ผมก็เลยเล่าไปให้ฟังเนี่ยก็ไป็นอันว่าทางพระมาลังกาเนี่ยเพราะฤทธิ์ทิฏฐนนนุ์อาณาณิคมบีบคั้นมากเนี่ยก็ทําให้กลับไปปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนาและวัฒ น, นธรรมประเพณีของตนเองจะเห็นว่าเขาจะไม่ยอมแต่งจากกายชุดสากลุลชูไหม mm hmm. พระมาลังกาพระมาก็นุ่งสรงต่อลังกาก็นุ่งอะไร แล้วก็นุ่งชุดขาวเวลาวันอุโบสถใช่ไหมเขาแต่งชุดขาวเขาไม่เอาอย่างไทยไทยนี่ต้องไปอย่างสากลเนี่ยตรงข้ามเลยไทยภูมิใจที่จะได้ทําอย่างฝรั่งนีแต่ลังกาพม่ากโกรธแค้นไม่ยอมทําตามฝรั่งเนีจะต้องรักษาเขาตัวเองไว้ได้ให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นของสมบัติของชาติลังกาพม่าฉันจะต้องทํามันก็ตรงข้ามสิใช่ไหมวิถีของสังคม อันนั้นไทยแล้วก็ทิ้งหมดของไทยทิ้งหมดเลยวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาไทยเพิ่งจะมาพูดกันมื่ไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมแต่ก่อนคําว่าภูมิปัญญาไทยมีที่ไหนไม่มีหรอกคาใหม่ไม่กี่ปีนี้ก็ตํารายาตําล า, า, ลาอะไรทิ้งหมดแล้วนะมาฟื้นอะไรแล้วมันหายไปเท่าไหร่แล้วครับนะเพิ่งจะมาเห็นคุณคา่าตอนฝหลัง พอฝรั่งตื่นสมาธิคือมาลิดฝรั่งตื่นสมาธิท่งกลับมาเมืองไทยคนไทยพลอยสนใจสมาธิด้วยเออสมาธิโฆษณาอะไรเนี่ยนะมาฟื้นจริงๆตอนที่ฝรั่งกลับมาสนใจฝรั่งเขามาเกิดไอ้ปฏิกิริยาต่อสังคมของคนรุ่นใหม่ที่เคยเล่ามันเยอะแยะและ้วที่ว่ายุคคอส .1950 กว่า ใกล้ๆพศสองพันหะ้ารอยนะที่ฝรั่งรุ่นหนุ่มสาวเริ่มเกิดปฏิกิริยาต่อสังคมของตนเองเห็นสังคมตัวเองพ่อแม่ได้แต่วันๆตื่นขึ้นมาก็วิง่งหาเงินหนาะทองกันชีวิตเร่งรัดเหลือเกินนะมีความเครียดมากเขาก็เห็นว่ามันจเจริญมันมีอะไรแต่ละเยอะมันไม่เห็นมีความสุขอะไรเนยะ เขาก็เลยหันมาสนใจทางจิตใจทางตะวันออกแล้วก็มาเกิดสงครามเวียดนามทําให้ครับแค้นใจมากเราไปเกิดได้รู้สำนึกถึงเรื่องที่ตัวเข้ามาประเทศอเมริกานี่ได้ห้าหั่นพวกอินเดียนแดงเกิดจิตสำนึกขึ้นมานะรู้สึกผิดรู้สึกกิลนะกิลตี้ตอนนั้นคนอเมริกันเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยโทมนัสใจมาก ว่าประเทศของตัวเองนี่มีบาดแผลของสังคมในทางประวัติศาสตร์นี่มากมีความรู้สึกไม่ดีก็เลยแสวงหาพวกหนึ่งก็ไปสนใจศิลศาสตร์ไปสนใจโหราศาสตร์ไปเรียนจากพวกอินเดียแดงนะตอนนั้นมีอินเดียแดงที่ขึ้นมาเป็นครูอาจารย์เลยนะแล้วก็มาสนใจเซนพุทธศาสนาสมาธิแบบเซนแลวต่อมาก็สนใจโยคะ แล้วก็พวกโยคีหรือสีก็เข้าไปนั่นแหละก็เริ่มคอสอนหนึ่กว่าค่อนข้างใกล้ปลายละหนึ่้าร้อยอะไรเท่านั้นน่ะเขาเรียกว่ายุคบีชเจนเยนอเรชันพวกเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคานเจอพวกวัฒนธรรมสวนกระแสนะหรือว่าสวนกระแสวัฒนธรรมสวนวัฒนธรรมย้อนเลย ตีกลับเลิกไม่ยอมรับปฏิเสธสังคมของตัวเองบีชยอ e เนลเลชันก um> ็มาสนใจสมาธิแบบเสร็จแล้วก็ชักชอบธรรมชาติอยู่ง่ายๆสบายสบายชีวิตที่ไม่เร่งรัดนปล่อยตัวตามธรรมชาติไปไปมาการชาด้วยนก็เลยเพลินกันไปสบาย แล้วก็ต่อมาก็จากเนี้ยพอจาก1950กว่ามารุ่น1960กว่าครับเกิดรุ่นใหม่เรียกว่ารุ่นฮิปปี้รุ่นฮิปปี้นี่ถือว่าถือว่าปีที่ปรากฏตัวจริงๆก็น1966นะเป็นปีฮิปปี้ต่อจากนั้นฮิปปี้ก็แพร่ขยายไปทั่วเลยทีนี้อเมริกันก็เปลี่ยนแปลงกันใหญ่เลยเนี่ย แล้วการสนใจสมาธิอะไรต่อมากลายเป็นแฟชั่นในสังคมเอเมริกันแล้วก็นักศึกษาคนไทยไปอยู่นั้นก็พลอยได้รับรู้ใช่ไหมกระแสมันก็กลับตีมาที่สังคมไทยเลยเรื่องสมาธิวิปัสสนาก็ชักขึ้นพลอยสนใจคนไทยก็ไม่เป็นตัวงตัวเองเนี่ยเราต้องศึกษาด้วยนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งภูมิหลังของสังคมไทยนะ ที่มาแสดงอาการป่วยมานานแล้วจะต้องแก้เป็นสังคมที่ไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจภูมิหลังตัวเองภูมิหลังตัวเองที่ภูมิใจว่าเป็นสังคมในน้ามีปลาในนามีข้าวนก็ตรงข้ามกับสังคมฝรั่งเป็นสังคมอเมริกันเขาเรียกสังคมฟรอนเทียสังคมฟรอนเทียก็คือสังคมที่บุกฝ่าพรมแดนที่นี่อยู่ไม่ได้ตายแน่ต้องบุกไปข้างหน้า ของไทยว่าอยู่ที่นี่ดีแล้วจะไปไหนเลยเหมือนกันอันนี้คือลักษณะสังคมไทยกับฝรั่งอเมริกันนั้นอเมริกันเนี่ยมันมีแต่คำว่า frontier หมดเขาอย่าไปเรียกมันมเรียกผู้ถูกนะขอโทษเขาอเมริกันเขาเป็นอย่างนั้นเป็นสังคม frontier เพราะว่าเขาขึ้นฝั่งที่แอตแลนติกนะที่พรีมัตเน่เป็นจุดสำคัญขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็เริ่มยุคฟันเทียหมายความว่าเวลาจากนั้นประมาณส0มรอปีเป็นเวลาที่คนอเมริกันเนี่ยบุกฝ่าขยายพรมแดนนะจากแค่ริมฝั่งมหาสมุทรขึ้นมานิดเดียวไม่มีที่ที่นิวอิงแลนด์เนี่ยเขาจะอยู่ได้ยังไงนะจะทำาหากินยังไงที่ไม่มีก็ต้องบุกขยาย ขยายไปก็ในที่สุดก็ต้องไปสู้รบอินเดียนแดงนะแล้วก็สู้รบพวกอนาธิคมเจ้าอนาธิคมที่มาจากฝรั่งวยกันเอาเขาเป็นอนาธิคมด้วยสู้รบกันไปแล้วก็ขยายพรมแดนไป3น0ะ่300ปีนะเขาเรียกว่ายุคฟรอนเทียทนั้นคำว่าฟรอนเทียได้เป็นคำที่ลึกซึ้งสำหรับจิตใจเหมือกันเป็นคำที่มีความหมายมากนั้นเวลาเ็าทำอะไรเขาจะใช้คำว่าฟรอนเทีย เขาเรียก frontier of science แบบพรมแดนแห่งวิทยาการก็แม้แต่มองวิทยาการก็มองเป็นปลุกฝ่าขยายพรมแดนวิชาการไปอวกาศเขาเรียก frontier of space space frontier นะตอนที่อเมริกันขึ้นยุคปลุกอวกาศนั่นก็ขยาย frontier ทางอาวกาศเขาบอก land frontier เขาจบแล้วเมื่อ300ปีหลังจะขึ้นฟังที่ p r i ต e แล้วก็ลบชนะอินเดียนแดงสุดท้ายได้ถึงแคลิฟอร์เนียจาก New England นะิวอิงแลนดะ์เฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยส0ปีเขาไปจบที่ฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้สี่แอตแนถึงมารัดวอชิงตันเนะี่ยหมดอินเดียนแดงก็หมดความหมายเขาเรียวกว่า closing of the frontier นะปิดเป็นแ a น d f r o n t i ร r land frontier Front f ร o n ร i e r ทั้งบกจบตอนนั้นเขาก็มีสี f r o n t i นะเขาก็ออกอเมริกันเริ่มจะเป็นจักรวรรดินิยมขยายพรมแดนไปทางคิวบาทางอะไรนั่นนะออกมาฟิลิปปินส์เลยนี่นะฮะอันเนี้ยแล้วเขาก็สเป f ฟอนเทียขึ้นนั่นนะแล้วก็มี Frontier of Knowledge Frontier of Science พรมแดนของวิทยาการพอไปไปม า, มาแล้วพอเคนเนดีนี่มีผู้สมัครประธานาธิบดีหลายคน ที่หาเสียงด้วยแนวคิดเรียกว่า New นะิวฟรอนเทียเพราะฟรอนเทียมมันหลายฟรอนเทียและมีการบุกเรื่อยตอนนี้เขาจะหาฟรอนเทียใหม่ให้เคนเนดี Kennedy นี่เป็นผู้หนึ่งที่ใช้แนวคิดนิวฟรอนเทียเขาหาเสียงด้วยคตินิวฟรอนเทียเนี่ยนะั้นคำว่าฟรอนเทียเนี่ยสำคัญมากใน ชีวิต จ, จิตใจอเมริกันจะเข้าใจคนอเมริกันเนี่ยจะต้องเข้าใจคําว่าฟลอร์เทียเนี่ยนะมันสร้างจิตใจนิสัยใจคอที่ชอบบุกฟา้าชอบผจญภัยเนะีตรงข้ามกับคนไทยชอบอยู่ที่นะเอาละทีนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้คนไทยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองแล้วเราก็ต้องเข้าใจทั้งเขาทั้งเรา แล้วอย่างที่ว่าแม้แต่กระเพื่อนบ้านสภาพความเป็นมาภูมิหลังของสังคมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแง่ความรู้เราไม่ได้รู้เพื่อจะไปติเตียนว่ากล่าวกันนะให้รู้เข้าใจตัวเองแล้วจะได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนิมนต์ครับครับอถามถึงเรื่องการรักษาพระพุทธศาสนาอของเราเนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อให ให้คำแนะนากับพระใหม่แล้วก็พระที่เขาอยู่มาระยะหนึ่งหรือไม่ก็พระที่อยู่มานานควรที่จะมีหลักในการรักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีจุดมุ่งหม่ยอย่างไรบ้างครับก็อันที่หนึ่งก็คือขั้นต้นก็ต้องศึกษาให้รู้ข้าใจนะถ้าไม่รู้ข้าใจเราจะรักษาไงไม่ได้หรอกนะรู้ข้าใจแล้วก็จับจุดได้เห็นคุณค่าพุทธศาสนา เออมีดีอะไรถ้าไม่มีดีจะรักษาไว้ทำไมใช่ไหมรู้ก็ใจรู้ก็ใจนะอันที่หนึ่งรู้ก็ใจแล้วไม่เห็นว่ามันดีไม่จะรักษาไว้ทำไมใช่ไหมมันก็ต้องเห็นดีเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วก็เมื่อเห็นคุณค่าเห็นความดีแล้วก็อยากจะรักษาไว้เห็นคุณค่าดีนี่ก็เห็นประโยชน์ด้วยมีใจรักปรารถนาดีต่อสังคมมนุษย์ต่อสังคมไทยต่อสังคมโลก อยากจะสร้างสรร์อยากจะแก้ปัญหาเราจะต้องช่วยแก้ปัญหาสร้างสรงสร์สังคมไทยสังคมโลกอารยธรรมมนุษย์ที่มันมีปัญหามันผิดพลาดยังไงเนี่ยโอ้พุทธศาสนานี่ช่วยได้พอเราเห็นคุณค่าและจะใช้เป็นประโยชน์ได้คราวนี้แลมันไม่แค่รักษาลคิดว่าจะทำไงให้เป็นประโยชน์แล้วมันรักษาเองใช่กลายเป็นรักษาโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่โมว่อันนี้อันนี้ดีฉันรักษาไว้กลายเป็นคนห่วงใช่ไหมกลายเป็นคนห่วงไปอันนี้มันที่จริงการรักษาที่แท้ก็คือว่าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อยากทำให้เป็นประโยชน์ก็พยายามทำให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยท่านรักษาเองโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นท่านจะต้องเอาศึกษาเล่าเรียนให้ลูกหัาใจมองเห็นคุณค่าความดีงามเห็นประโยชน์ แล้วมีจิตใจมุ่งจะสร้างสรรค์ทำประโยชน์ตามที่ท่านบอกไว้น่ะนะฮะเออว่าโลกนี้สังคมนี้มันมีปัญหามากคนยังมีทุกข์ยากเดือดร้อนมากอาริยธรรมมันเดินมาในทางที่ผิดพลาดนำโลกไปในทางที่เดือดร้อนอย่างอาริยธรรมปัจจุบันที่เป็นมาเนี่ยวิวจัจเรญนักหนาเนี่ยนำมาสู่ปัญหาหมดเลยอริยธรรมมนุษย์ที่เป็นมาเนี่ยผลสุดท้ายคือทำให้เกิดปัญหาของมนุษย์สามอัน 1. ปัญหาจิตใจแก้ไม่ได้ยิ่งเจริญยิ่งเครียดยิ่งทุกข์เยอะอน น, นหนึ่งะะสองปัญหาสังคมมนุษย์ขัดแย้งแย่งชิงข่มเหงกันใช้อำนาจกดขี่แสวงหาความยิ่งใหญ่ใช่มเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันตลอดเวลาถูกมฮะแก้ไม่ตกถูกมปัญหาสังคมแล้ว ในเมื่อมนุษย์แต่ละคนเห็นแก่ตัวพยายามแสวงหาแกับตัวให้แก่ ห, กหมู่ประเทศของตัวเองก็ทําลายทับทรัพยากรธรรมชาติก่อมลภาวะในที่สุดธรรมชาติแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสียหมดเลยโลกนี้ก็จะพังพินาศอยู่ไม่ได้ปัญหาสุดท้ายก็มาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นผลรวมของอารยธรรมที่เป็นมา ที่พูดอีกภาษาหนึ่งเรียกว่าการพัฒนานั่นเองและการพัฒนาที่ผ่านมารวมทั้งหมดผลรวมก็คือเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่เรียกว่าอันซัสเทนเบิร์นดิเวล็อปเมนท์พัฒนาไม่ยั่งยืนก็คือว่ามุ่งจะให้เศรษฐกิจเจริญแล้วสิ่งแวดล้อมเสียนะก็เลยจะต้องสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่เศรษฐกิจ ก็ดำเนินไปได้สิ่งแวดล้อมก็อยู่ดีหรือเศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ดีสิ่งแวดล้อมก็อยู่ได้อย่างี้นะเขาก็เลยมีคำคู่นะสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ใช้คำคู่อีโคโ o จีกับ e อี o อนอเต้องให้อ c o n o m y ดีแต่ว่าอ e c o คโล y ีไม่เสีย เขาบอกให้จับสองตัวนี้แต่งงานกันนะอีกอนมีกับอีโคโลจีอีโคโลจีก็แปลก็ว่านิเวศวิทยาก็คือสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกอนอเมีก็เศรษฐกิจสองอย่างเนี่ยให้ไปด้วยกันให้อยู่ควบคู่กันได้ดีหรือไม่งั้นก็ใช้คู่เรียกเป็นคู่เม้นนะ environment กับ development นะ development ก็ดำเนินไปได้ environment ก็อยู่ด้วยนะความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืนก็พูดง่ายๆด้วยคำสองคู่เนี่ยถ้าจำกัดความด้วยคำสองคู่นี้ใช้ได้เลยบอกครับการพัฒนาที่ยั่งยืนคือยอย่างไรก็คือการพัฒนาที่อีโคโนมีกับอีโคโลีไปกันได้นะหรือว่าดีเวล m เมนก็ดำเนินไปแล้วเอนไวล์เมนต์ก็ไม่เสียในนะี้ วิถีของอารยธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันขัดแย้งกันในตัวถ้าอารยธรรมจะเจริญก็คือสิ่งแวดล้อมรวมตลอดถึงเพื่อนมนุษย์เนี่ยจะต้องย่อห ย, ยับอ mm hmm. นั้นอารยธรรมแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราก็เรียนคำว่าไม่ยั่งยืนมาใส่ก็บอกว่าเป็นอารยธรรมที่ไม่ยั่งยืนก็ต้องสร้างอารยธรรมที่ยั่งยืน ก็คืออริยธรรมที่ประสานกลมกลืนที่ทําให้เกิดแทนที่จะเป็นคอนฟ lict ขัดแย้งกันก็เป็นฮารโมนีเหมือนนนะต้องให้ประสานกลมกลืนนี่เราพูดได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยสามารถสร้างอารยธรรมที่ทําให้เกิดความประสานกลมกลืนนะจเจริญไปได้วยกันโดยเกื้อหนุนกันคือทําไงจะให้จเจริญตัวเองจเจริญด้วยแล้วก็เกื้อหนุนผู้อื่นด้วย ก็กลายเป็นว่าหนึ่งตัวเองก็จิตใจดีสบายเจริญไปจิตใจก็ดีสบายมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็เพื่อนมนุษย์ก็เกื้อกูลกันร่วมมือการช่วยเหลือกันมีความสุขด้การเรายิ่งเจริญ ง, งอกงามเรายิ่งพัฒนาก็ยิ่งช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขมากขึ้นด้วยออแล้วนอกจากนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพัฒนามากขึ้น ก็คืออารายธรรมเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งรื่นรมทํำยังไงจะไปได้นี่ตามหลักพุทธศาสนานี่ตามคติที่เราศึกษามานี่ทําได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไม่เฉพาะเป็นได้ต้องเป็นถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีทางแก้ปัญหาโลกนี้อารยธรรมไปไม่รอดถ้าท่านเห็นคุณค่านี้ท่านก็ยิ่งต้องศึกษาพุทธศาสนาใหญ่เพื่อว่าจะทําไงจะเอามาใช้ประโยชน์มาช่วยโลกมนุษย์นี้ และจะรักษาพุทธศาสนาไปเองก็อตอบนี้นะแต่คราวนี้เนี่ยบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในวงค่อนข้างแค บ, คบโดยที่จะส่วนมากจะคอนแทคกับเอชาวบ้านอซ ส, ส่วนใหญ่ครับาวนี้เนี่ยเราก็ควรจะวางตัวยังไงอะครับในส่วนที่มันเหนือไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของสังคมคือพระเองเนี่ย เราก็ต้องยอมรับอันนี้ก็เพือเรื่องภูมิหลังด้วยการศึกษาของพระเราเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยตกต่ำมานานอา้าวหนึ่งเราก็มาผ่านภูมิหลังของยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเข้ามาทำให้คนไทยแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนสมัยใหม่ที่มองออกไปยัง เมืองนอกต้องการจะเจริญอย่างเขาต้องการเสริโภคความเจริญแบบนั้นแล้ก็เหเหิมตามไปก็หันมาดูถูกดูหมิน่นละทิ้งสมบัติของชาติอารยธรรมวัฒนธรรมตัวเองศา ส, สนาตัวเองใช่ไหมพวกหนึ่งก็ไม่เอานี่ก็ขาดการศึกษาไปแล้วพวกหนึ่งพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วพวกนี้ก็มาเป็นผู้บริหารประเทศชาติปัจจุบันถูกไหม นั่นเขาไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเชื่อไหมส่วนใหญ่ไม่รู้จริงไหมต้องยอมรับนะเราไม่ได้ไปว่าอะไรอะ่ะแต่ว่าต้องยอมรับความจริงไม่รู้เรื่องอาทิตนี้อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพอถูกเขามองข้ามดูถูกแล้วใช่ไหมตัวเองก็ห่างเหินขาดขาดการเรียนรู้ขาดการศึกษาสมัยใหม่ ก็ตามไม่ทันกระแสะความเป็นไปของอารยธรรมไม่รู้จักความเจริญสมัยใหม่ก็ไม่รู้อีกไม่รู้ทันไม่รู้ทันความเป็นไปการศึกษาก็ไม่ดีทีนี้รู้เรื่องของตัวเองไอรู้เรื่องของตัวเองในเมื่อเรื่องนั้นนะี่ยมันรทางพระศาสนาที่จะเป็นประโยชน์และเข้าใจจริงเนะี่ยมันต้องสัมพันธ์กับสภาพความเป็นจริงของขณะนั้นเพราะว่า คำสอนของพุทธเจ้าก็คือคำสอนว่าด้วยสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันมีมันเป็นอยู่เราเข้าใจสภาวะที่ปีเป็นอยู่ระดับสมมติแล้วก็จะเข้าใจลึกลงไปได้ถ้าเรามีธรรมะมาเป็นแนวทาให้ถึงสภาวะลึกลงไปทีนี้พอมันขาดลอยนะพระไม่รู้สภาพความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันได้แต่ไปยึดตัวคําสอนตามประเพณีก็ จมอยู่กับคาสอนประเพณีให้จํากันไว้ก็เงินนะจําว่าท่านสอนอย่างงี้จำไม่รู้เรื่องเงินเนอคือเข้าไม่ถึงสภาวะหรอกได้แต่จําคําสอนไว้เพราะนั้นก็จำมาก็เทศก็ไม่รู้เรื่องพูดกับชาวบ้านก็พูดไม่รู้จะไปอธิบายก็ยังไงตัวเองก็ไม่รู้เรื่องสังคมใช่ไหมก็ได้แต่เล่าให้เขาฟังว่าชาดกท่านว่ามาอย่างงี้เล่าไปนออธิบายทำก็ ต่อไม่ติดกับสภาพปัจจุบันก็เลยสังคมไทยก็ขาดรอยเป็นสองพวก้พวกหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องเก่าพวกหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องใหม่หมดเลยทีนี้พระก็เป็นมาในสภาพที่เป็นฝ่ายเก่าเนี่ยขาดลอยจากสภาพปัจจุบันไม่ทนันการไม่รู้ไม่เข้าใจเลยทนะั้งนั้นนี่การศึกษาตัวเองก็ยึดตามระบบประเพณีก็ต้องยึดมั่นประเพณีจะรักษาไว้เหมือ่อไงเรา คนสมัยใหม่เขาไม่เอาใช่ไหมเออเมื่อเขาไม่เอาแล้วถ้าเราไม่รักษามันก็หมดเลยก็ยิ่งต้องยึดมันใหญ่ก็รักษาไว้ที่ควายึดมันมันก็เป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้องแต่ว่ามันก็ได้ในแง่ว่าถ้าท่านไม่รักษาไว้มันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะก็ยังดีท่านก็มีคุณอยู่แต่ว่าคล้ายๆรักษาไว้พอให้รักษารูปแบบไว้ก่อนนี่คนที่รู้เข้าใจก็ต้องค่อยๆมากระเทาะเปลือกกระเทาะอะไรเอาเนี นี่ก็จะค่อยๆเรียนรู้กันทีนี้ตอนนี้เหมือนกับเราเพิ่งเริ่มนะสังคมไทยนี่เพิ่งจะเริ่มแม้แต่รู้ตัวก็ยังไม่ค่อยรู้ตัวเลยนะและตอนนี้จะต้องตื่นขึ้นมาตื่นรู้ทันเขารู้ทันต่างประเทศเมืองนอกออรู้ฝรั่งเนี่ยไม่ใช่รู้แต่ผลความจเจริญต้องรู้เหตุปัจจัยของเขาเคยย้านั่นนะคนไทยเนี่ยรู้จักฝรั่งก็รู้ความจเจริญเจริญคือผล ไปรู้ผลของเขาเนี่ยมันไม่ได้เรื่องรู้ผลก็รออยากได้ผลของเขาที่เขาสร้างมาแล้วก็มาเสพผลจบเลยไม่ได้อะไรนะไปรู้ผลรับผลแล้วก็เสพผลก็นอนน่ะสิ<笑><笑>ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าจะรู้จักฝรั่งก็ต้องมองเหตุของเขาเออต้องรู้จักเหตุของฝรั่งว่าเหตุประเทศฝรั่งอารยธรรมตะวันตกนะเนี่ยเจริญขึ้นมาอย่างไงเขาสร้างตัวอย่างไง มีกันในสามร้อยปีนี้มาอย่างไรงี่เป็นตัวต้องรู้หมดอย่างนี้แหละครับไปได้รู้เขาต้องรู้อย่างนี้รูจจรรร้ทั้งเหตุปัจจัยไม่ใช่รู้แค่ผลแล้วก็รู้ตัวเองรู้จักตัวก็ต้องรู้ความเป็นมาทั้งเหตุปัจจัยสภาพที่แท้จริงด้วยถ้งางั้นเราก็มาทะเลาะ ก, กันเองอยูอย่างเงี้ยเนี่ยปรากฏการณ์ที่ทะเลาะ ก, กันปัจจุบันเนี่ยท่านโยงให้ดีจะเห็นว่ามาจากเหตุปัจจัยที่ผมพูดให้ฟังเนี่ย เป็นไหมเนี่ยพวกนี้ขออภัยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจอะไรอริยธรรมอะไรที่รับเข้ามาไม่รู้เรื่องนี่จะไปแก้ปัญหาไงไรนะฮะมันก็ขาดลอยกันหมดสังคมไทยเนี่ยแม้แต่สถาบันต่างๆ่า ง, างเราก็ในแง่หนึ่งเราก็เห็นใจเขา้าใจเขาแต่ว่าเราจะปล่อยไม่ได้เหมือนอย่างนักปกครองนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องศาสนา มาเป็นผู้นำมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรืเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็รู้จักพุทธศาสนาหลายท่านนะบางท่านอาจจะศึกษาได้ตนเองเขาสนใจบางบางท่านรู้จักพุทธศาสนาคือไปยกช่อฟ้าโบ้ใช่ไหมไปพิธีฝังรูนิมิตผูกศีมานี่คือพุทธศาสนาไปหล่อพระอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพุทธศาสนาที่เขาเข้าใจนักการเมืองรู้แค่นี้จะนําประเทศได้ไหม ก็คือเขาไม่รู้จักสังคมไทยอันนี้ว่าเดี๋ยวจะว่าไปว่าท่านแต่ว่าท่านต้องยอมรับเราควรจะยอมรับความจริงแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขเราไม่ได้ว่าท่านเราเห็นใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพอย่างนี้ใช่เหมือนอย่างคนรุ่นนี้ที่มาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยท่านก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตนท่านเหล่านั้นท่านก็อยู่กับความเจริญสมัยใหม่แล้วลูกโตขึ้นมาท่านก็ส่งไปเรียนเมืองนอก ก็ไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาเลยเลยก็ไม่เข้าใจสังคมไทยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้เราสําคัญเราทําไงจะตื่นตัวขึ้นมารู้เข้าใจแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาศึกษาให้มันชัดนจับจุดและจละอะไรให้ถูกแล้วมันจะมีทางแก้ไขปัญหาทัานิมนต์ครับครับเรนถามพระเดชพระคุณครับคือว่าจากที่ผมสังเกตเนี่ยพระในปัจจุบันเนี่ยมักจะแยกออกเป็นสองความคิด กลุ่มแรกเนี่ยจะหนักไปทางความเชื่อหรือศรัทธาส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะไปหนักเรื่องการใช้ปัญญาพอกลุ่มที่ใช้ศรัทธารู้สึกมันจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยพอกลุ่มที่ใช้ปัญญามาสังเกตกลุ่มศรัทธาเนี่ยก็หมดความเริ่มใสส่วนกลุ่มที่ใช้ความศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยเห็นกลุ่มที่ใช้ปัญญาเนี่ยมีความคิดแตกต่างออกไปก็คิดบางทีก็มองเป็นเดรัจฉีบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยซึ่งกับเรียนถามมาเดีคุณว่าทิศทางหรือว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย สิ่งที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรแเราจะไปแบ่งเลยครับอันนั้นเป็นเพียงข้อสังเกตแล้วก็ยจะไปแบ่งจะไปมัวแบ่งฝ่ายศรัทธาฝ่ายยาที่จริงมันไม่มีหรอกหลักพระสธรรมมันมีนอยู่แล้วเราก็ไปดูที่หลักพระสธรรมว่าอย่างไงใช่ไหมบางทีที่ว่าศรัทธานั้นก็บางทีก็ไม่ได้ศึกษานั่นเองใช่ไหมก็เลยอยู่ในศรัทธาเมื่อคุณไม่ศึกษาคุณไม่รู้ก็คุณก็ต้องอยู่ในความเชื่ออันนี้นเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหม ถ้าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นโดยเราไม่รู้เราก็ต้องเชื่อเอานะฮะคนสองคนนะคนหนึ่งหลับตาแล้วมีคนหนึ่งมาพาเขาไปสู่จุดหมายเขาสองคนเนี่ยคนหนึ่งหลับตาคนหนึ่งลืมตาจะไปสู่จุดหมาย น, น, นี้คนที่หลับตาเนี่ย ก็เชื่อว่ามีคนหนึ่งที่เขารู้จุดหมายแน่นอนเลยแล้วก็มีศรัทธาเชื่อตาตาคนเนี้ยแล้วเขามาก็เอาไม้เท้าให้จับบอกคุณเดินตามที่จับไม้เท้าไปนะถึงแน่แน่แล้วก็ถ้าเขาเชื่อมั่นจริงแล้วตาคนนั้นรู้จริงแล้วก็มีความจริงใจต่อเขาจริงเมตตากรุณาไปถึงไหมครับก็ถึงนะ ทีนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ต้องอาศัยใครลืมตาแต่ถ้าไม่รู้จุดหมายไปถูกนะฮะแต่ถ้าเขาลืมตาด้วยเขารู้จุดหมายเขาไปเองได้เลยใช่ไหมเขาไม่ต้องอาศัยใครมาเอาไม้ทาวให้จับแล้วท่านว่าเป็นอย่างคนไหนดีลืมตาดีกว่าใช่ไหม <laughs> แลคือรู้ด้วยตนเองไม่ต้องกลัวเขาหลอกอีตาคนที่ จับไม้เท้าตามหลังคยุยอาจจะโดนหลอกนั้นนะฮะแล้วก็ตั้งพึ่งพาสิไม่เป็นตัวของตัวเองไปเองไม่ได้แล้วตั้งรอให้ตะคนนั้นมาจับนี่ในเมืองไทยเราก็ที่ท่านว่ามันก็เป็นเครื่องฟ้องอันหนึ่งแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาให้ศรัท ธ, ธากับปัญญามนหนุนกันใช่ไหมเคยบอกแล้วแต่ทีนี้เราจะอยู่แค่ศรัท ธ, ธาไม่ได้ แล้วจะไม่เอาศรัท ธ, ธาเลยถือแต่ปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจับจดจับจดเอาอะไรก็ไม่แน่สักทีเลยไม่ได้เรื่องเหมือนกันอันนั้นก็ต้องมีศรัท ธ, ธามาเป็นเครื่องช่วยนาเบื้องต้นแต่เป็นศรัท ธ, ธาที่เป็นความมั่นใจจากความเข้าใจด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นมูลิกาปัญญาทางพระท่านมีอยู่แล้วถ้าเป็นปัญญาที่ ไม่มีขอภัยศรัทธานี่แหละนะอมูลิกาศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีมูลคือไม่มีความรู้เข้าใจเป็นมูลอยู่ก็ศรัทธางมงายนี้ถ้าศรัทธามีมูลก็คือมีปัญญารู้เข้าใจเพราะนั้นปัญญาไอ้ศรัทธาในพุทธศาสนานะก็คือความมั่นใจที่เกิดความรู้เข้าใจขั้นต้นแล้วพอเรามีความรู้เข้าใจเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาขั้นหนึ่งแต่เรายังรู้ไม่ตลอด แต่ว่าศรัทธาตัวเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้เราเอาจริงเอาจังแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วก็ศรัทธาก็จะหนุนปัญญาไปเรื่อยยิ่งรู้เข้าใจก็ยิ่งศรัทธามั่นใจพอมั่นใจก็ยิ่งเอาจริงเอาจังที่จะแสวงปัญญาไปกันอย่างงี้จนกระทั่งในที่สุดพอถึงของจริงก็จบศรัทธา ก, ก็หมดหน้าที่พอหมดหน้าที่ท่าเรียกว่าอัศทโทเป็นภูมิไม่ต้องอาศัยศรัทธาก็เป็นพระอาหารหันต์ ผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปลี่ยนสูงสุดคือพระโสดาบันผู้ที่พ้นศรัทธาไม่ต้องขึ้นแต่ศรัทธาคือพระอารหนะันต์นั้นให้ท่านแยกของอันจะว่าศรัทธาไม่สำคัญยังไงพระโสดาบันคือผู้มีศรัทธาสูงสุดเนี่ยเออถ้าไม่สามารถพัฒนาศรัทธาให้สูงสุดท่านก็เป็นโสดาบันไม่ได้ศรัทธาสำคัญใช่ไหมฮะแต่ท่านอยู่แค่ศรัทธาท่านก็ไม่ถึง พนิพพานแท้ท่านก็อยู่แค่โสดาแล้วก็เลยไปหน่อยถึงอ น, นาคามีก็เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ท่านจะต้องพ้นศรัทธาก็จึงจะเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยให้เทียบกันให้ได้ศรัทธากับปัญญาพอจะได้หลักนะฮะไปบอกเขาได้เลยครับนะบอกว่าคุณศรัทธานะไปได้แค่โสดาแต่ฉันไม่ดูถูกนะไปโสดาเขาไปใชงไงแล้วก็ พลจากโสดาก็ไปเป็นพระอาหารหันต์นี่ได้ปัญญาแท้ๆก็ต้องใช้ทั้งสองอย่างเป็นอินทรีย์ทั้งคู่ไงอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้ให้ศรัทธากับปัญญานี้สมดุลกันเนี่ยถ้าเราหลักมีม ใ, ใช้นะแม้แต่ไปโดยกระบวนชุมนุมก็เอาศรัทธากับปัญญามาเข้าดุลกันด้วยนะฮะ <S <S เออบอกเขาก็ได้บอก เนี่ยลองปฏิบัติทมดูสักคู่เดียวคุณไหวไหมเอาศรัทธากับปัญญามาดุลกันหน่อยก็ได้แหละได้ประโยชน์เยอะธรรมะเนี่ยนิมนครครั บ, ร บ, รบจะขอเรียนถามเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องเบาๆสั้นๆนะครับก็ <ฮะ S 2> คือว่าได้คุยกันว่ามนุษย์โลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก ไม่กี่พันล้านเดี๋ยวนี้เป็นหกพันล้านแล้วก็ไม่ทราบว่าดวงจิตใหม่ๆเหล่านี้นะมาจากภพภูมิไหนหรือว่ามาจากดวงดาวอื่นก็คืออันนี้มันถ้าตอบในอะไรเขาเรียกวิติที่มันกว้างหลายด้านเลยก็จะค่อยเบาไปเอาแค่ในโลกนี้ก่อน มนุษย์มากอย่างเงี้ยตอนนี้มดเหลือเท่าไรพวกมดปลวกนี่อยู่ไอ้พวกสัตว์ต่างๆเอานกก็แล้วกันนกนกนี่ไงนกเดี๋ยวเนี้เหลือเท่าไหรครับสัตว์อื่นนี่ลดทอนลงไปมากมายจนจะศูนพันก็ไปเป็นหลายพันเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะการที่มนุษย์เกิดมากเนี่ยเพาจะได้แค่โลกเดียวนี่ก็ก็เหลือแหลแล้ว ไอ้ดวงจิตที่ว่าเนี่มันเหลือแหล่ะล่ะทีนี้ยิ่งในจั ก, กรวาลที่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะมันโอ้โหเหลือเกินแหะมนุษย์นี่ไม่มีความหมายยิ่งกว่าผงทุลีใช่ไหมไม่มีความหมายเลยเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เป็นผงทุลีเลยดวงอาทิตย์ยังไม่เท่าผงทุลีในในจั ก, กรวาล น, นี้ใช่ไหมมันเล็กและการเวลาก็ ไม่รู้จะเทียบยังไงนะการเวลามันยาวไกลจกนกระทั่งมนุษย์เนี่ยไม่มีความหมายอันนี้ก็เหมือนการให้นักการเมืองทั้งหลายมองในแง่นี้บ้างว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเกิดก็มาชั่วปเดี๋ยวแล้วก็เล็กน้อยยิ่งกว่าผงถั่วเหลืเหมือนกับหรือยิ่งกว่าผงถั่วลืชั่วแวบบใช่มผงถั่วเหลืองชั่วแวบบไปแล้ว เนี่ยแล้วเราจะมาโลภโมโทสันอะไรกันนักหนาจะมาเออเนี่ยมาเป็นนักการเมืองมาเป็นอะไรอะไรกันเนอย่าไปคิดเลยเรื่องนี้ไม่มีความหมายเลยไอ้ทรัพย์สมบัติสมบูรอะไรอำนาจยิ่งใหญ่นะมาพัฒนาชีวิตกันดีกว่าพอได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็ปลงเลยแต่ว่าอย่าปลงปล่อยไม่เอาเรื่องเลานะประมาท ลงแล้วก็มาวางจิตให้ถูกแล้วก็มาพัฒนาจิตใจให้จิตใจมันจเจริญเข้าถึงสิ่งที่ดีงามประเสริฐที่ไหนๆเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ก็ให้เข้าถึงเทอะบางทีการที่เรามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองก็มันโชคดีถ้าหากว่าไม่มีเหตุร้ายขึ้นมาเราก็ไม่มีโชคดีเพราะเราก็ต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องของหน้าที่การงานอะนไรๆนั้นหมดชีวิตไป พอมันมีเหตุค้นมาทำให้เราพ้นนั้นไปได้เราก็ได้โอกาสใช่รู้จักใช้โอกาสเป็นก็กลับเป็นว่าได้โอกาสที่จะเข้าถึงสิ่งที่ปเปิดสูงสุดของชีวิตนี้ได้ถึงจริงได้บอกว่าตามพุทธศาสนาะถือว่ามนุษย์นี่มีความหวังทุกขณะจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วก็รู้จักมองรู้จักใชใ้เป็นประโยชน์ ในสถานการณ์เหล่านี้มองไปแล้วถ้าเรามองในมิติของกาลเทศะของจั ก, กรวาลของกับกันอะไรแล้วเนี่ยมันนิดนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยเราก็รู้จักมองกว้างอย่างนี้บ้างจะได้วางใจให้ดีขึ้นจะได้ไม่มายึดมั่นอยู่ใกล้สิ่งเฉพาะหน้าเอาเป็เอาตายก็เกินไปก็มีแง่มุมต่างๆเนี่ยเอาก็ ว่ากันไปนะะอาเดี๋ยวตอบแล้วยังเหรอฮะตอบแล้วก็พวกเราก็นวักะก็รบกวนเวลาหลวงพ่อมาพอสมควรนะก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยสั่งสอนพวกเรามาโดยตลอดครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วที่ได้มีโอกาสมาพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ คงจะมีโอกาสที่จะได้มาเรียนพบในโอกาสต่อไปอีกครับก็โมทนาทุกท่านนะฮะที่มีตั้ใจรักมีฉันทะในการศึกษาเล่าเรียนนะก็เอาแล้วแค่นัดคุยกันใหม่ <laughs>